Book two. n n o w One. Semain tagoi. One jan. La lundo. One angkan. La mardo. One put. วันพฤหัสศุบดีวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์สัปดาห์อาทิตย์ Sem ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เดลุนโดจิสติมันวันที่หนึ่งคือวันจันทร์ลาอุนวัตากอเอสตาสนวันที่สองคือวันอังคาร la dua tago estas mardo วันที่สามคือวันพุธ ว, สสวันที่สี่คือวันพฤหัสบดีวันที่ห้าคือวันศุนกสสร์ วันที่หกคือ hmm. วันเสาร์วันที่เจ็ดคือวันอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์มีเจ็ดวัน เราทำงานเพียงห้าวัน。Nilabors Nurkvin Tagoin